สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษาพิบาล น, นะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคำกฎที่10แล้วนะครับก็คือกฎแห่งการได้เสียกฎแห่งการได้และการเสียครับศา ส, สนราจารย์ดรฟิลิปเท่งนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ท่านได้เขียนและท่านได้รวบรวมกฎต่างๆให้กับเราและในวิดีโอกันกน็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุพิษ วิจักโยทินซึ่งได้แปลเป็นภาษาไทยให้เราได้มีโอกาสได้อ่านและได้แบ่งปันซึ่งการและกันครับพี่น้องครับกฎแห่งการได้และการเสียประการแรกก็คือเกี่ยวข้องกับชีวิตการที่คนบางคนนั้นใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ตัดไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิกข้อครับ มัทที่บทที่16บข้อยบอกว่าเพราะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดนี่เป็นพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่สำคัญมากตอนหนึ่งเสียแล้วได้ได้แล้วเสียเหมือนเสียแต่กลับได้เหมือนได้แต่กลับเสียพี่น้องครับ เพราะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดพระเยซูทรงตัดเกี่ยวกับชีวิตหมายความว่าอะไรครับถ้าเราสังเกตดูนะครับมีคำอธิบายในพระคัมภีร์บางฉบับข้างๆครบบอกว่าชีวิตหรือจิตวิญญาณภาษาเดิมนั้นแปลว่าวิญญาณ ผู้ที่จะช่วยวิญญาณตัวเองให้รอดจะต้องสูญเสียวิญญาณของตนพี่น้องครับมีผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงท่านเป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆและท่านนั้นเป็นผู้นำของเครือจัก Little Flock ชื่อ w a ัชแมนนีวัชแม n นีนั้นท่านอาจารย์วัชแม n นีมีความคิดเกี่ยวกับประคำผีข้อนี้ โดยการที่ท่านได้อธิบายความครับว่าพระกัมภีร์ข้อนี้นั้นชีวิตจะต้องแปลเป็นคำว่าวิญญาณความหมายของการแปลคำว่าชีวิตนั้นแปลว่าจิตวิญญาณหรือวิญญาณพระกัมภีร์ในมัทธิวบทที่10ข้อยี่สิบ8ได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาจในรกได้นี่หมายถึงว่าชีวิตนั้นก็ประกอบไปด้วยสามส่วนครับก็คือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณบางคนอาจจะบอกว่ามีแค่สองส่วนครับก็คือร่างกายและจิตแต่วิญญาณคือรวมระหว่างจิตและวิญญาณด้วยกัน มีคำอธิบายอีกแบบหนึ่งครับว่าชีวิตนั้นมีสองระดับชีวิตขั้นสูงหมายถึงชีวิตที่เป็นจิตวิญญาณและชีวิตขั้นต่ำก็คือชีวิตที่เป็นเนื้อหนังหรือแค่กายภาพในที่นี้พระเยซูน่าจะหมายถึงว่าคนคนหนึ่งจะรักษาชีวิตฝ่ายเนื้อหนังหรือว่าชีวิตฝ่ายชั้นต่ำเขาก็จะสูญเสียชีวิตที่เป็นชั้นสูง ก็คือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตระดับล่างถ้าจะรักษาไว้จะต้องเสียชีวิตระดับบนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาชีวิตที่เป็นระดับบนโดยยอมเสียสละความสุขในระดับล่างชีวิตเนื้อหนังนั่นเองครับพี่น้องการอธิบายแบบนี้มันก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับว่าชีวิตฝ่าย ระดับล่างกับชีวิตระดับบนถ้าเราจะเลือกตามใจเนื้อหนังตามใจตัวเองตามใจราคะตัณหาที่ซุกซ่อนอยู่เราก็จะสูญเสียชีวิตระดับสูงไปครับก็คือระดับจิตบิญญาเนี่ครับน่าจะเป็นคําอธิบายที่ดีสำหรับพระกัมพีข้อนี้ดังนั้นเองครับพี่น้องถ้าเราจะอธิบายและก็ขยายความ ของพระกรมบีข้อนี้ในมัทธิวบทที่สิบหกี่บ้บอกว่าถ้าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตมีความหมายว่าผู้ใดที่จะเอาชีวิตระดับล่างก็คือเนื้อหนังสนองความต้องการของเนื้อหนังสนองความต้องการของตันหาแล้วแล้วก็ผู้นั้นจะเสียชีวิตระดับบนครับก็คือชีวิตระดับจิตวิญญาณแต่ถ้าผู้ใดจะยอมละ ยอมสูญเสียยอมให้ชีวิตฝ่ายเนื้อหนังซึ่งเป็นชีวิตระดับล่างตายเขาก็จะได้ชีวิตระดับบนรอดก็คือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับเมื่อเราอธิบายเช่นนี้ก็จะทําให้เราเข้าใจความหมายของการที่เราเองนั้นจะต้องลดละเลิกในสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังและตรึงเนื้อหนังของเราไว้กับพระเยซู ร่างกายของเรานั้นถูกตึงไว้กับพระเยซูแล้วร่างกายที่สามารถทำบาปได้ร่างกายที่มีแนวโน้มที่จะทำบาปร่างกายที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ต้องตึงไว้กับพระเยซูครับแล้วชีวิตใหม่ซึ่งเป็นการบังเกิดใหม่ซึ่งเป็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเราก็จะเติบโตนั่นคือความหมายของการได้ชีวิตและเสียชีวิตครับในประการที่สอง ในเช้าวันนี้ของการได้และการเสียซึ่งเป็นกฎครับพระกัมพีได้กล่าวไว้ในพระธรรฟิลิปปีบทที่3ข้อที่7และข้อที่8ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่7และข้อที่8กล่าวว่าแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ขาพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ที่จริงแล้วข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไรประโยชน์ เพราเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระคฤตองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคฤตที่จริงแล้วข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระคฤตองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า นี่เป็นคําพูดของท่านอาจารย์เปโอลที่เขียนไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ครับท่านอาจารย์เปโอลเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นคุณค่าสูงสุดในชีวิตของท่านและเป็นผู้ที่มีคุณค่าสองคุณค่าสูงสุดในชีวิตของคริสเตียนเราเรื่องอื่นๆเป็นอันดับรองครับและเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งที่มีค่าสูงสุดคือพระเยซู ท่านเองนั้นยอมสละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเห็นว่ามีค่าที่เคยเห็นว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรเพื่อที่จะรับหรือได้สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในชีวิตการได้รับที่แท้จริงก็คือการยอมสละวางครับยอมสูญเสียเพื่อที่จะได้เพราะฉะนั้นนี่คือกฎครับถ้าเราที่จะยอมละความเข้าใจ ยอมที่จะไม่สแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าสูงเพื่อที่เราจะเข้าใจสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดและสูงกว่านั่นแหละครับคือกฎของการได้รับและกฎของการเสียพินนะครับเราจะเห็นนะครับว่าประเด็นทั้งสองประเด็นในเช้าวันนี้นั้นเราแต่ต้องยอมที่จะเสียก่อนเพื่อที่จะได้รับมที่จะจ่ายราคาก่อนแล้วจึงจะได้ของ การได้รับที่แท้จริงนั่นก็คือการยอมเสียเสียสละตัวเองก่อนยอมสูญเสียเพื่อแลกกับพระเยซูซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดครับนั่นคือการเชิญชวนการเรียกร้องการท้าทายขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีต่อเราทั้งหลายพี่น้องครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนกับคนที่เห็นคุณค่าสูงสุดของไข่มุกแล้วคนคนนั้น ก็ยอมที่จะขายของทุกอย่างที่เ็ามีอยู่เพื่อที่จะไปซื้อไปคว้าไขมุกนั่นมาให้ได้เป็นของตัวเองนั่นคือการเห็นสิ่งสูงสุดที่มีความสำคัญมีคุณค่ามากที่สุดคำถามของผมในวันนี้ก็คือว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงที่สุดในชีวิตของเราครับอะไรเป็นสิ่งที่เรา ให้ค่าสูงมากจนถึงยอมจ่ายราคาและราคานี้ก็คือชีวิตของพวกเราที่จะยอมมอบชีวิตไว้อยู่ในพระเยซูไว้ให้กับพระเยซูไว้ให้อยู่ในพระหาตของพระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงใช้พวกเราถาวายชีวิตให้อยู่ในการดูแลอารักขาของพระองค์เชื่อฟังพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจ ในทุกอย่างทุกด้านของชีวิตเนื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็มั่นใจได้ครับว่าเราจะได้เราจะได้รับชีวิตที่คุบบริบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเราจะได้รับการทรงนำจากพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเลือกพระเจ้ามาก่อนครับใครที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าไม่ใช่พระเจ้าใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ใครก็ตามที่จัดตัวเอง แทนพระเจ้าแทนที่เขาจะได้ชีวิตเขาจะกลับเสียชีวิตครับแต่ใครก็ตามที่ยอมเสียชีวิตของตนเขาจะรับชีวิตกลับคืนมาอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อาเมน